เมื่อคืนนะเราก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นนะด้วยจิตใจที่ตื่นรู้นะก็เป็นการรับขวัญวันใหม่นะด้วยใจที่ตื่นรู้มาร่วมกันไหว้พระสดมน่นะก็เป็นการเจริญนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะแล้วก็ได้สารทยายมน่นะบทสติปัฏฐา น, นสูตร นะซึ่งเป็นบทสำคัญสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรากำลังจะก้าวสู่สักราชใหมนะ่หรือปีใหม่นะตามหลักสากลนะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทรนะ์ที่28ธันวาคมนะพุทธศักราช2558อีก2หรือ3วันนะก็จะหมดปี2558 นะก็จะขึ้นปีใหม่ปี2 5 5พนะพวกเราก็มารวมตัวกันนะที่วัดป่าสุกโตนะก็เรียกว่ามาทำสิ่งที่เป็นประโยชนนะ์กับตัวเราเองในอีกแง่หนึง่งมุมหนึง่งนะซึ่งส่วนใหญ่นะที่เราเคยทำทำกันมานะก็คือการที่เราไปเฉลิมฉลองนะไปเที่ยว นะไปฉลองนะกินนะเลี้ยงฉลองกันนะสนุกสนานเออฮนะก็เป็นความสุขนะที่เราได้เคยสัมผัสนะได้เคยกระทํากันมานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสุขสนุกสนานเนาะเป็นความเพลิดเพลินนะที่เราคงจะคุ้นเคยกันดี ความสุขเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วเป็นความสุขที่จะต้องอาศัยาการไขว่คว้าหานะแล้วก็สแสวงหามานะเป็นความสุขจากการกินนะจากการเที่ยวนะจากการสนุกสนานนะเป็นความเพลิดเพลินนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราได้ <c oughs> กระทำก็ดีได้เสพได้สัมผัสก็ดีนะมันก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะนอกจากนั้นมันยังมีสิ่งที่ต่อเนื่องคือมันทําให้เราติดอกติดใจนะติดอกติดใจบางทีก็สมหวังนะบางทีก็ไม่สมหวังนะความสุขที่ได้จากการกินการเที่ยวนะการสนุกสนานนะก็เป็นความสุขชนิดที่บางที นะมันก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยนะเท่าที่เราทราบข่าวคราวการขับรถนะเกิดอุบัติเหตุนะการเสพสิ่งเสพติดมึนเมานะโดยเฉพาะสุรายาเมาทั้งหลายนะเรามีความเครียดนะจากการทางานจากชีวิตนะเราก็คิดว่าการดื่มสุราก็ดนะีการเสพสิ่งเสพติดต่างๆก็ดี มันจะช่วยเราคลายเครียดนะจริงๆมันก็ทำให้เราลืมๆได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือสุขภาพที่เสื่อมโทรมนะแล้วก็จิตที่มันติดนะเรียกว่าติดเสพติดนะมันเลิกไม่ได้นะหรือมันเลิกยากนะเรียกว่าใจเราไม่เข้มแข็งพอนะมันก็เลิกยากเหมือนกันนะตรงนี้ก็ทำให้เราลุ่มหลงมัวเม า, าอยู่กับความสุขสนุกสนาน นะท่านอาจารย์พุทธท่านเรียกว่าเป็นความสุขที่มันร้อนนะอย่างที่กรอนท่านเคยแต่งเอาไว้นะความเอย่ยความสุขนะใครๆทุกนะคนเรียกเจ้าเฝ้ า, เ ฝ, าเฝ้าหาเขาว่าสุขนะแกว่าสุขนะฉันก็สุขนะมันสุขเย็นหรือสุขไหมกันแห่เอย่ยอะไรเงี้ยนะกรอนที่ท่านแต่งเอาไว้นะมนก็มีสุกร้อนนะสุกร้อนก็คือต้องดิ้นลนต้อง ขวนขวายต้องไปวิ่งหามานะใช้เงินใช้ทองนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> เราต้องเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องพวกนี้มากมายทีเดียวสุขจากการกินจากการเที่ยวจากการสนุกสนานนะเป็นความสุขที่ร้อนพอสมควรบางทีไปเที่ยว3มวัน5วันกลับมาก็เหนื่อยเปลียหมดเลี่ยวหมดแรงนะกะว่าจะทำงานวันจันทร์ นะกลับมาวันอาทิตย์หมดเรี่ยวหมดแรงขอหยุดต่อนะวันจันทร์วันอังคารอีกไปทงานวันพุธอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะได้สัมผัสมาบ้างนะเป็นความสุขที่จะต้องแลกด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานเงินทองเงินตรานะแต่การที่พวกเรามาอยู่วัดป่าสุกโตนี่มันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะนะเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ นะในลักษณะที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนนะไม่ต้องไปกระเสือกกระสนนะไปหาอยู่หากินนะแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวนะอัตมาอยู่เชียงใหม่นี่เห็นแล้วโอ้ยนะแต่ก่อนนี้เหน็ดเหนื่อยนะกับการที่เราต้องไปควายคว้าหาความสุขแบบนั้นนะแต่การที่เรามานะอยู่วัดป่าสุกตโตก็ดีหรือว่าไปสแสวงหาที่สงบสงัด นะเพื่อที่จะสัมผัสกับความสุขนะที่เกิดขึ้นนะภายในจิตในใจของเรานะการที่เรามาร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้านะหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนตนะ์จะเดิญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะมีใจจดจอ่อมีสติอยู่กับการสวดมนต์เราก็ได้สัมผัสนะกับความสุขสงบ <c oughs> ในจิตในใจ ได้ร่วมกันแผ่เมตตานะให้กับสัมปชีวิตทั้งหลายนะตรงนี้ก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นนะเป็นการให้อาหารใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากนะถ้าเราไ ม, ไม่ได้มีโอกาสมาอย่างนี้การไปเที่ยวสนุกสนานเนี่ยโอกาสที่เราจะสัมผัสความสุขชนิดเนี่ยมันน้อยนะอันนั้นเป็นความสุขที่มันต้องเรียกว่าตื่นเต้นร้าใจ แต่ความสุขที่เราได้มีโอกาสมาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญสตินะมาเจริญปัญญานะมาฝึกเจริญสติเนี่ยมันเป็นความสุขนะที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราความสุขชนิดนี้มันจะสัมผัสได้นะก็อาศัยสิ่งแวดล้อมนิดหนึ่งสำหรับการเริ่มต้นหรือคนใหมนะ่การที่เราปลีกเวลานะวางการวางงาน วางครอบครัวนะวางสิ่งต่างๆนะในสังคมในบ้านเมืองนะแล้วเราก็มาใช้ชีวิตนะที่สงบสุขนะอาศัยสิ่งแวดล้อมที่สงบนะแล้วก็มาดูจิตดูใจดูร่างกายของเรานะที่มันเคลื่อนมันไหวอันนี้ก็เป็นการได้มีโอกาสมาพักผ่อนนะพูดง่ายๆมาพักมาผ่อนนะมาพักผ่อนทางจิตทางใจจริงๆนะตรงนี้เราจะได้ สัมผัสกับความสุขที่เป็นความสงบนะอย่างที่เขาบอกว่านิพพานังประมังสุขขังนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะความสงบในที่นี้คือสงบแบบตื่นรู้นะไม่ใช่สงบแบบนิ่งไม่รู้อะไรนะอันนั้นก็เป็นความสงบอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสนะมาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตนะในช่วงอาทิตนี้นะ เป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลเนาะเทศกาลศักกาชใหม่เทศกาลปีใหม่นะแทนที่เราจะต้องไปเที่ยวนะไปเล่นนะไปเสี่ยงชีวิตบนท้องถนนนะเราก็มาอยู่นิ่งๆนะมาเจริญสตินะมาเจริญปัญญานะสิ่งที่ทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้กับจิตใจนะตรงเนี้มันจะทําให้จิตใจเรางอกงามปัญญาเรางอกงามขึ้นมา สามารถที่จะเห็นความจริงของกายของใจได้ความสุขที่เกิดจากการเห็นความจริงเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเที่ยวไปกินไปเล่นมันก็ได้แค่ช่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขสนุกสนานเท่านั้นเองเป็นความสุกร้อนความสุขที่ได้จากการเห็นความจริงเป็นความสุขเย็นมันสงบเย็นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ก็เป็นโอกาสพิเศษละนะเป็นสิ่งที่เราจะทำให้กับตัวเราเองได้ความสุขชนิดนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปหาที่ไหนนะไม่ต้องไปหาซื้อมันไม่มีขายนะเซเก็ไม่มีขายนะแมคโครตัตนะบิ๊กซีไม่มีขายแต่ต้องทำเอาเองนะซึ่งการที่เราจะต้องทำเอาเองแน่นอนละใ ห, ใหม่เนี่ยมันจะยังไม่สงบมันจะไม่สุขหรอกนะมันจะวุ่นวายหมดเลย โนะดยเฉพาะการที่เรามาเริ่มนะเริ่มรู้จักการเจริญสตนะิยกไม้ยกมือเดินจงกรมสร้างจังหวะนะใหม่ๆเนี่ยนะมันจะเจอความง่วงกันละก่อนะนที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนะจอความง่วงโอ้โหไม่รู้มันง่วงมาจากไหนเมื่อคืนก็นอนหลับดีแล้วนะแต่พอมานั่งสร้างจังหวะทีไรหลับทุกทีง่วงทุกทีนะตรงนี้ <c oughs> มันก็เรียกว่าเป็นบันไดขั้นต้น นะที่เราจะเยียบนะเยียบมันผ่านไปปัญหามันมีอย่างเดียวก็คือว่าเราไม่ยอมนะเรามีจิตใจที่เข้มแข็งมีความอดทนนะสามารถที่จะฝืนนะฝืนมันนะมันหลับเราก็ไม่พยายามที่จะหลับมันพยายามหลับตาเราก็ฝืนลืมตาขึ้นมาพอเวลามันง่วงมันหายใจสั้นเราก็หายใจยาวนะเวลาเรานั่งมันง่วงเราก็เดินนะลุกขึ้นเดินนะต้องแก้มันอย่าไปยอมจำนนกับมัน ตรงนี้มันจะทำให้เราเข้มแข็งเพราะฉะนั้นความง่วงเนี่ยนะเป็นโจทยนะ์เป็นโจทย์ให้เราแก่เราจะแก้อย่างไรนะบางคนนี่ง่วงแล้วไม่แก้เลยยอมแพ้เลยวะ่ะนั่งหลับสงบอยู่ตรงนั้นอะ่ะหรือบางทีไม่หลับนะเดี๋ยวขอเวลากลับไปกุฏิก่อนนะไปนอนสักหน่อยสักงีบหนึ่งกะว่าจะนอนสักสิบนาที1 5นาทีที่ไหนได้สองชั่วโมงเลยนะบางคนก็หลับไปเลยทั้งวันเลยก็มี นะเขาบอกว่าความง่วงเนี่ยนะหรือว่าการนอนหลับเนี่ยนะมันไม่รู้จักอิ่มหรอกคนบางคนนี่นอนได้ทั้งวันนะเออมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นการมาฝึกเนี่ยนะเราก็ต้องฝืนฝนหน่อยนะฝืนนิดนิดนะเอาเอาบ้างนะอย่าไปตามใจมันชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปตามใจตัวเองนะบางทีมันก็ <c oughs> สมอยากบ้างไม่สมอยากบ้างสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้าง นะการทำอะไรตามใจตัวเองมันก็สร้างความเคยชินนะจริงๆอย่าเรียกว่าตามใจตัวเองเรียกว่าตามใจกิเลสมากกว่ากิเลสความเคยชินที่มันจะสบายนะรักความสบายความเพลิดเพลินความสนุกสนานความสุขนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องออแยบคายสักนิดหนึ่งนะอย่าไปทำตามความเคยชิน นอกจากความง่วงนะที่มันจะต้องเจอแน่ๆคือความฟุ้งซ่านนะนะการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะวิธีไหนคุณจะเจอแน่นอนนะความฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้บางทีก็คิดไปถึงอดีตบางทีก็กังวลไปถึงอนาคตนะเรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะเขาบอกว่าอาดีตเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงนะอนาคตก็ไม่ใช่ความจริงปัจจุบันเนี่ยเป็นของจริงแต่ส่วนใหญ่เราลงไว้กับความคิด หนะลงความคิดปรุงแต่งไปต่างๆนาะนาะเวลาเรามาเดินจงกรมสร้างจังหวะโดยเฉพาะเดินจงกรมเนี่ยมันจะคิดมากหน่อยนะไอ้นั่งเนี่ยนั่งสร้างจังหวะมันจะง่วงนะแต่ไม่ไม่เคยคิดแต่ไอ้เวลาเดินมันคิดแต่มันจะไม่เคยง่วงนะไอ้สังเกตดูเถอะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็ไม่ยากนะถ้ามันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้มันไม่ต้องไปห้ามมันแต่ไม่ตามมัน มันคิดขึ้นมาตั้งแต่ไ่ทิ้งไปเท่านั้นกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะยิ่งคิดยิ่งรู้นะหลวงพ่อเทียนเคยพูดเอาไว้เพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยเราไม่ได้เจริญสติเพื่อไม่ให้คิดนะแต่ให้รู้ทันความคิดใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะคิดอะไรวางไว้ก่อนทิ้งไปก่อนตั้งใจคิดหรือไม่ตั้งใจคิดวางไว้ก่อนโครงงานต่างๆโปรเจกต์ต่างๆงานต่างๆปีหน้าจะทาอะไรวางไว้ก่อน วางเพื่ออะไรนะเพื่อให้ความรู้สึกตัวที่เรากำลังจเจริญเนี่ยให้มันเด่นชัดขึ้นมาใจเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทีละอย่างถ้าความคิดมันเข้ามาครอบงำใจความรู้สึกตัวก็ไม่มีเรียกพูดง่ายๆเราลืมตัวไปชั่วขนาดหนึ่งเราหลงไปช่วขนาดหนึ่งการหลงลืมตัวเนี่ยนะนะเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมานะดีก็ได้ลายก็ได้ นะส่วนใหญ่จะร้ายมากกว่าเช่นกโกรธอย่างเงี้ยความรู้สึกตัวโดยสัญชาติญาณเรามีอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีมันไม่รู้มันลืมตัวมันหลงตัวไปชั่วขณะหนึง่งอารมณ์มันจะเกิดตรงนี้แหละความโลภความโกรธความหลงมันเกิดตรงเนี้ยเกิดตรงที่เราไม่รู้ตัวชั่วขณะหนึง่งนะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าชั่ววูบใช่มมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะเรียกว่าชั่ววูบ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องแก้แก้ด้วยการกลับมารู้สึกตัวการที่เรามาฝึกเจริญสติก็เพื่อให้มันรู้เท่าทันตรงนี้รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้เท่าทันกายที่มันเคลื่อนมันไหวความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะเอาความคิดไปทันความคิดไม่ได้แต่เราใส่สติ ตัวสติหรือความรู้สึกตัวมันจะทันกันมันเป็นของแก้กันทีนี้การที่จะไปทำสติหรือเจริญสติมันคิดเอาก็ไม่ได้นะเราอาศัยการเคลื่อนการไหวของกายนี่แหละเป็นตัวที่จะปลุกปลุกให้จิตมันตื่นมันเริ่อตื่นรู้ขึ้นมามันรู้เท่ารู้ทันขึ้นมามันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาใหม่ก็รู้หยับหยาบก่อนรู้ที่กายมันเคลื่อนมันไหวจะเป็นมือก็ดี ขาก็ดีนะเราทำหยาบหยาบไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเห็นของละเอียดขึ้นบางทีมันก็รู้ทั้งเนื้อทั้งตัวนะบางทีเดินเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นเองนะอันนี้แต่ใหม่ๆก็เจตนานิดหนึ่งนะเจตนาที่จะรู้นะเพราะว่าเราเคยชินที่จะหลงมามากไปฉะนั้นเราเจตนาสักหน่อยนะ แต่อย่างไรก็ตามนะอย่าไปเพ่งไปจ้องมันมากนะอย่าไปให้มันแบบประเภทว่าต้องรู้ตลอดเวลาอันนี้มันจะเครียดมันจะหนักมันจะมึนนะรู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอแล้วเรากลับมารู้ให้ได้บ่อยๆพัฒนาการอันหนึ่งที่เจนชัดเจนคือมันรู้ทันไวขึ้นเรื่องที่เราคิดเนี่ยนะมันจะหดสั้นเป็นเองนะจากที่เราไม่รู้เลยสักเรื่องหนึ่งคิดไป สิเรื่องไม่รู้ทันสักเรื่องนึงเนี่ยใหม่ๆ ม, มันจะรู้เรื่องที่10ก่อนนะวัขึ้นจะรู้เรื่องที่9เรื่องที่8เรื่องที่7เรื่องที่6นะเรื่องที่มันจะหดสั้นเข้าสุดท้ายนี่คิดปุ๊บรู้ปับคิดปุ๊บรู้ปับอ่าอันนี้มันเริ่มอัตโนมัติแล้วนะตรงเนี้ยมันเริ่มที่จะใช้การได้ทีนี้ในการฝึกเจริญสติเนี่ยนะให้ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น บางคนนี่ไม่ชอบนะโหคิดมากไม่ชอบไม่ฟุง้งซ่านไม่อยากไม่อยากให้มันฟุง้งซ่านไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่นมันเป็นธรรมะที่มันแสดงปรากฏออกมาเรามีหน้าที่ดูแลอยากเข้าไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวมารู้ที่เนื้อรู้ที่ตัวมารู้ที่กายก่อนนะพอกายมันชัดนะเดี๋ยวมันจะไปเห็นจิตเห็นใจที่มันคิดนึกอาการปวดอาการเมื่อยอาการหิวอาการกระหายอาการง่วงนะ ตอนนี้บางคนอาจจะนั่งนั่งสปปงบ ก, ก็ได้นะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นนะอย่าไปนั่งหลับหูหลับตานะไปสงบนิ่งนะตื่นขึ้นมานะเราตื่นนะตื่นรู้ปลุกตัวเองให้ตื่นนะอย่าไปยอมจำนนกับมันนะเอาสัยการเคลื่อนการไหวเนี่ยจะเป็นลมหายใจก็ดีจะเป็นมือก็ดีให้มีความตื่นตัวในตรงนี้นะเอากายเนี่ยนะเป็นตัวที่จะไปต่อ นะไปต่อไปเห็นนะความปวดความเมื่อยความคิดปรุงแต่งนะต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมกันนะใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงการเฉลิมฉลองนะด้วยการเฉลิญสตนะิเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อสัมผัสกับความสุขที่เป็นความสุขสงบเย็นนะซึ่งตรงนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองปีใหมนะ่ที่มีคุณค่านะแล้วก็ ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะพบกับความสุขเกษมสารนะไม่ใช่ความสุขสนุกสนานนะที่เราเคยทําทํามาที่เคยผ่านผ่านมาอย่างไรก็ดีนะการเจริญสติเนี่ยนะมันจะต้องทําให้ต่อเนื่องนะทําต่อเนื่องหมายความว่าอย่างไงอานะจารย์ไพศาลเคยเล่าให้ฟังเนาะสมัยที่ท่านไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆนะท่านก็ถามว่าการที่เรามัน เดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยจะ ต, ต้องทําตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะหรือการจเจริญสติเนี่ยต้องทํากี่โมงถึงกี่โมงนะคิดว่าจะต้องมีเวลาราชะการอะไรอย่างเงี้ยนะแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อเทียนก็เลยบอกว่าให้ทําตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนโห้เราฟังงี้ก็โอ้โหมันจะไหวเหรอมานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมทั้งวันอย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องกินข้าวกินปลาไม่ต้องไปห้องน้ำเลยเหรอ ถลนะวงพ่อเทียนบอกไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่านอกจากเราทำในรูปแบบแล้วเนี่ยให้เราเพยายามเนาะที่จะมีสตินะกับกิจวัตรประจำวันด้วยนะตั้งแต่ตื่นนอนนะเมื่อเช้าตื่นนอนเนี่ยเรารู้สึกตัวไหมเออหรือเราลุกพรวดพราดขึ้นมาเลยนะถ้าเรามีสติเราก็เริ่มรู้เนื้อรู้ตัวนะตั้งแต่เรายังไม่ลืมตาเลยอ่านะ สุดลมหายใจเข้ายาวๆนะรู้สึกสดชื่นนะหายใจออกยาวๆสดชื่นนะมีสตินะแล้วก็ค่อยลืมตาก็รู้สึกกับการลืมตารู้สึกกับการหายใจนะหรือบางค น, นอาจจะ ก, กระดิกเท้าเล่นพลิกมือเล่นยังไม่ลุกทีเดียวนะไม่ต้องรีบร้อนเนี่ยก็มีสติในการตื่นนะแล้วก็ลุกขึ้นพับผ้านะเก็บหมอนเก็บที่นอนนะม้วนเสือ่อ นะให้เป็นที่เป็นทางเก็บที่นี่ก็มีสตินะมีสติในการเก็บสิ่งของนะลุกขึ้นนะด้วยความรู้สึกตัวนะเดินไปเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาเนาะสัมผัสกับความเย็นของน้ำนะช่วงนี้อากาศมันเย็นใช่ไหมแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวนะออนี่ก็สามารถจะทำได้แนะปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวคือยังไง สังเกตมื่อเวลาเราไม่รู้สึกตัวคือเราแปลงไปเราคิดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก า, ารรู้สึกตัวก็คือทิ้งไปเลยมันคิดอะไรทิ้งไปเลยอย่าไปสนใจความคิดมันอย่าไปต่อกับมันทิ้งไปเลยเรากลับมารู้สึกตัวที่การเคลื่อนการไหวที่แปลงสีฟันเนี่ยที่ขยับกลับเคลื่อนไปเนี่ย ต, ตรงนี้ก็จะเป็นการเจริญสติกับการแปลงฟันการเข้าห้องน้าการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะด้วยความรู้สึกตัว บางทีเราไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเออนะอันนี้ให้สังเกตดูเราสามารถจะทำได้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ม า, าสวมเสื้อผ้านะอย่างในบทตะกี้นี้ก็บอกว่าสง ส, ส, งสังคาติทรงบาทดีวออันนี้สำหรับพระนะสำหรับโยมก็คือการนุ่งหุ่มนั่นเองนะสวมใส่ด้วยสตินะ คนนี้ไม่มีสติบางทใีใส่เสื้อกลับใช่ไหมเอาด้านในมาก็ด้านนอกเออบางทีมันก็มีหลงลืมบ้างนะอย่างบางทีเราไม่เปิดไฟอย่างเงี้ย อ, ออกมาอา้าวมันกลับนะหรือบางทีก็กลัดกระดุมผิดเม็ดบ้างนะอันเนี้ยก็ลืมแลนะลืมตัวไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะทําได้เดินมานะด้วยความรู้สึกตัวนะมานั่งระหว่างรอเราก็นั่งสร้างจังหวะนะหรือคลึงนิ้วมือเล่นนะมี ระหว่างการสวดมนตนะ์ก็มีใจนะจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์บางทีมันก็มีคิดแวบขึ้นมาทิ้งไปเลยเราก็มาอยู่กับบทสวดมนต์แล้วตรงนี้เราสามารถเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยนอกจากทําในรูปแบบก็สามารถที่ทํานอกรูปแบบได้การกินการเคี้ยวการดื่มการลิ้มใช่ไหมตะกี้นี้ที่เราสาธยายมนเดี๋ยววันนี้ลองดูนะถ้าใครไม่เคยนะรับประทานด้วยการ ด้วยสตินะอย่างลองเคี้ยวนะเคี้ยวให้ละเอียดเลยให้แหลกเลยสัมผัสกับรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ต้องรีบนะการขบฉันเนี่ยให้เรามีสตินะในการที่จะกินนะถ้าเรากินถ้าเราไม่ได้ฝึกสติ ก, กับการกินเนี่ยบางทีมันก็กัดลิ้นตัวเองนะบางทีรีบเคี้ยวนะเออบางทีก็กัดริมฝี ป, ปากตัวเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินไปคุยไปนี่ต้องระวังเลยนะ เพราะอะไรอาหารมันจะไปลงก็ไปหลอดลมอะโดยที่เราไม่รู้ตัวสำลักข้าวเลยก็มีเพราะฉะนั้นสังเกตไหมเวลาพระท่านฉันเนี่ยท่านจะไม่คุยนะอาหารอยู่ในปากเนี่ยจะไม่ไม่พูดนะอันนี้เป็นวินัยข้อหนึ่งของพระนะก็เรียกว่าโภชนาปฏิสังยุตมีข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนะอันนี้ก็คือการไม่พูดไม่คุยในระหว่างการรับประทานเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะฝึกได้นะเพราะฉะนั้น หรือแม้แต่การทําครัวนะเราก็มีสติในการทําครัวนะการช่วยปัดกวาดเช็ดถูสถานที่นะก็มีสตินะการทํห้องทความสะอาดห้องน้ำอะไรอย่างเี้ยช่วยงานส่วนรวมนะเราก็มีสติเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเรามีสติเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นยันหลับนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านได้แนะนำพระอาจารย์ไพศาล ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่เอากลับประยัดปรับมาใช้กับเราได้เรียกว่าให้มีสติอย่างต่อเนื่องแต่คาว่าต่อเนื่องในที่นี้เนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าไปจี้จะให้มันรู้ตลอดเวลาการที่ไปจี้รู้ตลอดเวลามันจะหนักมันจะเครียดเพราะนั้นตรงนี้ก็ให้สังเกตด้วยเนาะถ้ามันหนักมันเครียดมันตึงเราก็หย่อนหย่อนลงหน่อยผ่อนผลงหน่อยถ้ามันหย่อนเกินไปมันเผลอมันเพลินเราก็ตึงตึงลงหน่อย เออนะย่อนๆยนตึงตึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีจุดพอดีของมันซึ่งตรงนี้เราต้องสังเกตเอาเองนะลักษณะที่มันพอดีพอดีเราเดินได้เรื่อยเรื่เรานั่งทำได้เรื่อยเืไม่รู้สึกหนักนะหนักอกหนักใจหนักมือจริงๆมือมันไม่หนักหรอกนะมือมันเบามากแต่ที่หนักคือมันหนักอกหนักใจบางทีมันมันอะไรนะอย่างไงนะมันไม่รู้มันไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะค่อยทาเป็นค่อยทาไปเรื่อยเืเพราะนั้น ทุกเวลานาทีที่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวเผลอไปบ้างแล้วกลับมารู้เรารู้ว่าเผลอนั่นะเรามีสติแล้วแต่อย่าเผลอไปนานกันแล้วกันนะเผลอไปก็คือเผลอคิดไปไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่กลับมารู้สึกตัวใหม่นะตรงนี้จะเป็นวันใหม่นะเรียกว่ารับขวัญวันใหม่ด้วยใจที่ตื่นรู้เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่นะด้วยการเจริญสติ นะซึ่งบางคนก็มาหนึ่งวันบางคนก็สองวันบางคนก็จะอยู่ถึงปีใหม่เลยนะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะกับการที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุโกโตในช่วงนีนะ้เป็นชีวิตแห่งการภาวนาภาวนาก็คือพัฒนาลิเจริญนั่นเองเจริญอะไรเจริญความรู้สึกตัวนะเพื่อให้รู้เท่ารู้ทันความคิดปรุงแต่งรู้เท่ารู้ทันกับอารมณ์ ได้เห็นความจริงนของกายของใจที่มันแปลปวนเปลี่ยนแปลงนทนอยู่ไม่ได้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้เห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกจนมันเกิดการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางเองโดยธรรมชาตินใจที่มันเคยหมกมุ่นคุ้นคิดกับอารมณ์ที่น่ายินดีหรือผักใสไล่ส่งกับอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีมันจะได้วาง นะมันจะได้ปล่อยวางนะมันจะได้อยู่อย่างที่เป็นปกติคืนสู่ความเป็นปกติใจที่มันเคยฟูฟูแฟบแ ฟ, ฟไม่ปกติดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเนะี่ยมันจะได้เฉยนะเฉยเฉยเฉยแบบเฉยรู้นะไม่เฉยแบบซื่อบื้อนะเฉยรู้ตื่นรูนะ้เป็นจิตที่ตื่นรู้รู้พร้อมที่จะใช้ชีวิตพร้อมที่จะทําทงาน พร้อมที่จะสัมผัสกับความสงบเย็ น, นก็เรียกว่าชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นที่อาจารย์พุทธทาสเคยพูดประนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายเนาะในการที่มีชีวิตอยู่และน่าจะเป็นเป้าหมายที่เราน่าจะตั้งให้กับเราได้ในสักราชใหมนะ่ที่จะมาถึงนะเราไม่ต้องไปตั้งความหวังว่าจะต้องให้ได้ชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีทองมากนะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลย เนะมันเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็อวยพรนะให้มีความสุขตลอดไปมันมันเป็นไปได้หรอชีวิตมันก็มีสุขสุขทุกๆนะ่แต่ให้เรารู้เท่าทันมันสุขก็ได้ทุกก็ได้ชีวิตของเรานะตรงเนี้ยเรียกว่าตรงเนี้ยจะเป็นการถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะอย่างที่ได้สาธยายพุนไปเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะแล้วก็ คิดว่าพวกเราได้ใช้เวลาที่นี่เนี่ยให้คุ้มค่านะกับการที่เสียสละเวลาวางการวางงานมันครอบครัวมานะก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่ไม่มากก็ น, น้อยเนาะเอาละในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงองคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญา สติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมานะทั้งในส่วนกายทั้งในส่วนใจแลวก็สิ่งแวดล้อมต่างๆ่านะที่เราต้องไปสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องจะเป็นผู้คนก็ดีป่าไม้ก็ดีอากาศก็ดีสิ่งแวดล้อมต่างๆ่านะเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏเป็นสัจธรรมที่เราต้องเห็นนะแลวก็ไม่เข้าไปเป็น นะและก็พระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันนะด้วยความเพียรความพยายามด้วยความศรัทธานะแล้วก็มีสมาธิมีสตนะิมีปัญญานะพร้อมนะก็ขอให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับสันติสุขที่เป็นความสงบสุขที่มีอยู่ในจิตในใจนะในทุกลมหายใจ ในทุกลมหายใจของการที่เราตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็ขอให้ได้รับผลในเรวันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร